สามข่ำภกะตะวรคสิกขาบทที่หนึ่งหนึภิกษุผู้ไม่เอือ้อเฟื้อเดินเท้าสะเอลไปในละแวกบ้านต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎสิกขาบทที่สองภิกษุผู้ไม่เอือ้อเฟื้อนั่งเท้าสะเอลในละแวกบ้านต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎ สิกขาบทที่สภิกษุไม่เอื้อเฟื้อเดินคลุมศีรษะไปในละแวกบ้านต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎสิกขาบทที่สี่พิสุผู้ไม่เอื้อเฟื้อนั่งคลุมศีษะในละแวกบ้านต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฏสิกขาบทที่หภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อ เดินกระโยงไปในละแวกบ้านต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎสิกขาบทที่6ภิกษุผู้ไม่เอือ้อเฟื้อนั่งรัดเข่าในละแวกบ้านต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฏสิกขาบทที่7ภิกษุผู้ไม่เอือ้อเฟื้อรับบินทบาทโดยไม่เคารพ ต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎสิกขาบทที่ 8. ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อรับบินทบาทมองดูในที่นั้นนั้นต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฏสิกขาบทที่ 9. ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อเลือกรับเฉพาะแกงมากต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎ สิกขาบทที่10ภพิษุผู้ไม่เอือ้อเฟื้อรับบินทบาทล้นขอบปากบาทต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกดขำพกตะวักที่สจบ